ระบบยยกส่วนของไตรสิกขาจัดการศึกษาพัฒนาวิถีชีวิตองรวมของมัคมีสิกขาการศึกษาดีก็เดินทางมัคไปถึงจุดหมายดังได้กล่าวแล้วว่าทางชีวิตหรือการดําเนินชีวิตนั้นเรียกว่ามัคเมื่อดาเนินชีวิตถูกต้องก็เป็นการพัฒนาชีวิต พูดง่ายๆว่าพัฒนามักหรือทำให้มักนั้นพัฒนาโดยมีชีวิตที่เป็นอยู่อย่างดีงามถูกต้องงอกงามมั่นคงมีคุณค่าที่มั่นใจเมื่อมักคือการดาเนินชีวิตนั้นพัฒนาก้าวหน้าไปถูกทางเป็นอย่างดีคือเป็นระบบองค์รวมที่พร้อมบริบูรณ์ซึ่งจะนำไปถึงจุดหมายแห่งความสุขและอิสรภาพ มักนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นอริยมักซึ่งมีองค์ประกอบแต่ละอย่างถูกต้องเป็นสัมมาทีนี้การดาเนินชีวิตหรือเดินทางชีวิตที่จะเป็นการพัฒนาชีวิตนั้นก็ต้องดำเนินให้ถูกทางถูกต้องซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเป็นทุนประเดิมอยู่บ้างเหมือนคนเดินทางเมื่อตัวเองไม่มีประสบการณ์ไม่รู้ว่าใช่ทางหรือไม่หรือทางไหนผิดทางไหนถูก ถ้าเขาฉลาดก็รู้จักไถ่ถามผู้รู้ฟังคำบอกของผู้รู้ผู้จำนานทางดูข้อชี้ทางถ้าให้ดีให้มั่นใจยิ่งกว่านั้นก็ขอฟังผู้จำนานทางนั้นบรรยายให้ฟังให้ชัดปไปเลยว่าทางนั้นเริ่มต้นที่นั่นไปถึงที่นั่นจะเจออันนั้นๆอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่จะแก้ปัญหาที่จุดนั้นๆอย่างไรและอื่นๆ พูดสันส้นๆว่าให้มีทุนความรู้เข้าใจไว้บ้างนี่คือมรคนั้นเริ่มต้นด้วยปัญญาโดยมีความรู้เข้าใจให้ตัวมองเห็นและยึดถือไว้ได้เรียกว่าพอให้มีทิฏฐิที่ถูกต้องทีนี้ก็พูดรวบรัดว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญทางโดยได้ทรงค้นพบทางคือมร หรือมักคาที่ถูกต้องและทรงบุกฝ่าสืค้นเดินทางนั้นได้ลุถึงจุดหมายแล้วและมีชัยทรงถึงจุดหมายเท่านั้นแต่ทรงนำเอาประสบการณ์มากมายของพระองค์มาทรงจัดวางแผนการเดินทางไว้เพื่อให้ผู้ต้องการคือมีชันทะจะได้เดินทางไปได้อย่างถูกต้องและมั่นใจกับทั้งได้ทรงชี้ทางให้แก่คนมากมายให้คนเหล่านั้นไปถึงจุดหมายอย่างพระองค์แล้วด้วย การเรียนรู้ฝึกหัดเดินทางคือดำเนินมรคนั้นเรียกว่าศึกษาหรือสิกขาเมื่อฝึกเมื่อหัดเมื่อศึกษาไปศึกษาไปก็เป็นการพัฒนาก็เดินทางชีวิตคือมรคนั้นก้าวหน้าไปก้าวหน้าไปจนลลถึงจุดหมายดังที่ว่าในการนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงจัดทําแผนสิกขาคือการศึกษานี้ไว้เป็นระบบ และมีขั้นตอนลำดับพร้อมทั้งรายละเอียดอย่างชัดเจนเมื่อกี้นี้ได้บอกไว้ข้างต้นแล้วว่าทางชีวิตหรือการดำเนินชีวิตคือมากนั้นเป็นไปตามกระบวนการตามธรรมดาของธรรมชาติของมันเองทีนี้เมื่อเราจัดการฝึกตามระบบของสิกขาแผนของสิกขาคือการศึกษานั้นก็ทำให้กระบวนการของชีวิตดาเนินก้าวหน้าไปตามทางดาเนินของมาร์ก นี่คือการจัดการของคนในวงเล็บผู้รู้ที่ทำให้กระบวนการของธรรมชาติเดินหน้าไปตามที่ต้องการด้วยปัญญาที่ถึงธรรมเข้าถึงธรรมชาติทวนความย้ำว่ากระบวนการฝึกที่เราตั้งใจจัดการกับชีวิตนี้เป็นสิขาส่วนกระบวนการของชีวิตเองที่เป็นไปตามธรรมดาของมัน เท่าที่ฝึกศึกษาพัฒนาไปได้เป็นมัครเราจึงจัดการฝึกศึกษาพัฒนาคนด้วยสิกขาเพื่อให้คนนั้นมีมัคที่ก้าวหน้าไปอย่างดีนี่คือสอดคล้องกันเป็นอันว่าฝ่ายมัคนี้ว่าไปตามกระบวนการของชีวิตเมื่อสิกขาคือกระบวนการฝึกนั้น ให้ทำให้ดำเนินไปได้แค่ไหนก็มีการดำเนินของชีวิตไปตามทางที่เป็นมัค ก, ก้าวหน้าไปได้แค่นั้นนี่คือสิกขาเข้ามาในชีวิตของคนเกิดเป็นมัคที่ชีวิตของคนดำเนินไปตามนั้นสิกขาฝึกศึกษาพัฒนามาได้แค่ไหนก็มีมัคที่จะดำเนินชีวิตไปได้แค่นั้นอย่างนั้นพูดแบบชาวบ้านว่า ฝึกอย่างไรก็ได้อย่างนั้นทีนี้พอมาดาเนินชีวิตบอกแล้วว่าฝึกอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อฝึกด้วยสิกขาสามด้านนั้นก็ดาเนินชีวิตโดยมีพฤติกรรมมีจิตใจแล้วก็มีปัญญาที่ได้พัฒนาขึ้นมาให้ดาเนินไปได้ด้วยดีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโดยศิกขาหรือไตรศิกขา หรือการศึกษาสามทำให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาอย่างใดก็ได้มักคือการดำเนินชีวิตที่แยกออกไปเป็นสามมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอย่างนั้นตรงกันดังที่บอกแล้วว่าฝึกอย่างไรก็ได้อย่างนั้นตามที่ว่ามา น, นี้จึงเป็นธรรมดาว่าระบบของศิขาคือระบบการศึกษานั้น จะต้องสอดคล้องกับระบบการดำเนินของชีวิตของมัคดังที่ว่าแล้วมัคเป็นระบบองค์รวมของทางดำเนินในการพัฒนาชีวิตโดยมีองค์รวม8ประการซึ่งจัดกลุ่มเป็นสามคือศีลสมาธิและปัญญาดังนั้นแผนของสิกขาก็จึงจัดเป็นระบบการฝึกศึกษาที่มี3ส่วนหรือ3ด้านเรียกว่าตรายสิกขา ดังนี้ 1. อธิศิลสิกขาการฝึกศึกษาให้มีพฤติกรรมทางกายวาจาและอาชีวะที่สุจริตและเกื้อกูล 2. อ, อธิจิตสิกขาการฝึกศึกษาพัฒนาจิตใจให้มีคุณภาพได้ที่เจริญไปในสมาธิ อธิปัญญาสิกขาการฝึกศึกษาในปัญญาสูงขึ้นไปให้รู้คิดเข้าใจมองเห็นถูกต้องตรงตามเป็นจริงพึงสังเกตว่าในสิกขาสมข้อนี้มีคำว่าอธินำหน้าศีลจิตตะและปัญญาคำว่าจิตตะเรียกด้วยคำที่เป็นตัวแทนก็ได้ว่าสมาธิ แปลตามตัวว่ายิ่งเป็นคำย้ำสำทับว่าเป็นการศึกษาที่ฝึกมีใช่แค่ให้มีศีลมีจิตดีและมีปัญญาที่จเจริญขึ้นเท่านั้นแต่ต้องให้ถึงขั้นที่องค์ทั้งแปดพัฒนาเป็นอริยมรรคให้องค์ทั้งแปดเป็นสัมมา